มีองค์ไหนสวดปฏิโมกข์ะเรต้องบอกกันไว้นะเรียนกันไว้นะมีไหมต้องสอนกันไว้เราก็ครับผมเพราะเราสวดปฏิโมกขตลอดมาเลยไม่มีใครเปลี่ยนในช่วงนั้นเพราะพระปฏิโมกขไม่มีเราก็สวดมาโดยลำดับลำดับไม่มีระหว่างไม่มีองค์ไหนเปลี่ยนจากนั้นเราก็ อยู่พอต่อมาเราก็ฝึกหัดพระอีกองค์หนึ่งที่เป็นรุ่นน้องแต่ยังไม่เคยขึ้นสวดปฏิโมกข์นะไม่เคยขึ้นสวดแต่ก็เราจับมาฝึกซ้อมกระมอบให้หลวงปู่ปุณมีที่เป็นลูกพี่ของเราท่านยังอยู่ที่นั่นท่านก็องค์นั้นท่านหลวงปู่ปุณมีท่านก็เป็นผู้ฝึกซ้อมพระปฏิโมกให้องค์หนึ่งให้เป็นพระหนุ่มมา ท่านกบดมาหลายพรรษาแล้วอยู่ที่นั่นพอเสร็จแล้วหลวงพ่อก็เห็นว่าหลวงปู่บุญมีว่าได้ได้ใช่ได้ใช่ได้ไดแต่หลวงปู่บุญมีท่านก็นสวดปฏิโมกได้เหมือนกันนะท่านก็สวดปฏิโมกได้ท่านก็ซ้อม ไ, ไปด้วยเหมือนกันคือไม่ไว้ใจองค์ที่องค์ที่ท่านซ้อมนนะ่ะอที่ท่านสอบซ้อม น, นะตัวองค์ท่านก็ซ้อมอีกเหมือนกัน <laughs> เพื่อไม่ให้ขาดตกนะ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 คนหนึ่งที่ประมาณทักห้าหกขวบนะห้าหกเจ็ดขวบเนีเราบินท่าปาดแม่เขาก็เลยเอาแกงหน่อไม้ส้มถ้วยหนึ่งเล็กๆเดินตามหลังไปจา่มันเราก็ไปนั่งฉันนั่นละหลวงพ่อจําไม่ลืมโอ้โหน้ำหน่อไม้ส้มแกงหน่อไม้ส้มถ้วยนั้นน่ะน้ำใสใสอีกต่างหากมันมีเกลือมันมีรสเปรี้ยว อร่อยมากจริงๆจำไม่ลืมกระทั่งทุกวันนี้เนี่อจากนั้นก็เดินลงมาทางทางบ้านสว่างเนีก็มาพักอยู่ที่บ้านสว่างออกจากสว่างก็มานายุงมานายุงเขาคนนิมนต์ท่านจะไปไหนเขาไปข้างในพอจากนั้นก็เดินเข้ามาผ่านบ้านนายุงเนี่ยบ้านสามเหลี่ยมนะบ้าน สามเหลี่ยมชุมพลเนี่ยเขากําลังเห็นไทครัวจังหวัดเลยสามสี่คนกําลังเอาของของมาไอ้เขาบอกเครื่องทับสัมภาระาพวกถุงข้าวสารบั่งพวกหม้อต้มหม้อแกงของเขาเนะ่ยเอามาสมกันไว้ยังไม่มีครอบครัวเขาก็ยังถางป่าอยู่เขาเพิ่งมาอยู่ในวันสองวันเนี่ยหลงพ่อเดินผ่านมา ปีสองพันห้ารสิบหกแล้วงพ่อจำไม่ผิดนะบ้านชุมพลเกิดนะชุมพลสามเหลี่ยมใกล้ๆเราเนี่ยจากนั้นนะ่ะบ้านนาคางนะังยังไม่มีอย่นะางนั้งหลวงพ่อก็เดินมาเขาจะไปทางไหนไปสมประสงไหมเราเราจะไปนาคำนาคำเราก็เดินไปทางไหนนาคำไปทางนี้เอรแต่ทางสมัยนะั้นเป็นทางคนเท่านั้นเอง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 เเลยขึ้นไปพักวัดบ้านนะพอไปพักวัดบ้านหาน้ำไม่ได้ก็เลยโดนพอไก่คำนันเดินลงมามาอาบน้ำที่ลาลาลางนะอ่าห้วยลางเนะี่ยฝากถนนทางนี้นะแล้วก็ปีนขึ้นไปพักที่วัดบ้านเขาไม่มีคนเลยนะในช่วงนั้นนะเงียบกก๊บอ่เงียบกก๊บเพออราะเหตุไเราก็ไม่รู้ว่าเออ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 แถวเผาแคมตอดชดเราก็ถามเอ๊ะทำไมทางน้ำดีๆสามสี่ใบเนี่ยทำไมเขาอมีดฝันทำไมพอโมกบอกว่าคอมมเนสคอมมเนสคอมมเนสเอาปืนยิงเหมือนกันอะคอมมอนเนอะไรวะมันมีคอมมอเนสอยู่เหรอพูดนะมันเซร์ขนาดนั้นเลหลวงพ่อมาสมัยนั้นเนยมีคอมมอเนสอยู่เหรอแถวเนี่ยวะเขาก็เลยไม่พูดเงียบ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 เราเป็นพระมาทุรงมาหาภาวนาธรรมดาเราก็กลับไปจากนั้นเราอยู่ที่นาคํำใหญ่นานพอสมควรจากนั้นก็ย้ายไปอยู่ที่บ้านบางแค่แล้วก็ขึ้นบ้านเพิ่มอยู่บ้านเพิ่มบ้างแล้วก็ลงไปนู่นนะทางฝั่งโค้งเนี่ยนะปีนั้นไปฝั่งลาวาไปถึงฝั่งลาวด้วยนะตัวนิโอ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 เห็นโหทำไมคนบาดทำไมอนเขาใช้บาดใหญ่แล้วเกินเนาะแต่เห็นตะขอบมันแต่คนเขมามันสนิมกินหมดแล้วแล้วก็เห็นพระเนี่ยแหละพระพระไม้นะอยู่ในถ้ำเราเอ๊ะแถวเนี่ยมันเป็นวัดเก่าเนี่ยนะเราสังเกตถ้าไม่มีวัดถ้าไม่เป็นวัดไม่เป็นถ้เออมันจะมีพระพุทธรูปได้ยังไงมันต้องเป็นวัดเก่าเนี่นาะ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 คุณงามความดีต่อตาให้ตายตกพุทโธเนเออตายต่อหน้าที่ตัวเองจะไม่ดีกว่าเลยกลัวทำไมคลอยคลายขึ้นมาโอ้ดูเสียกว่าจิตใจเข้มแข็งมากเลยว่างั้นเถอถ้ามีอะไรต่อหน้าถ้าว่าเสือกระโดดมาสามารถที่จะเอากาปั้นไปยัดเข้าปากเสือได้อว่า ง, างั้นเถิอนีอันนี้คื อ, ค, อความความกล้าใ น, นจุดนั้นพอจากนั้นก็นัน่งภาวนาต่อเอง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 เออชาวบ้านก็ยังเงียบอยู่ทำไมเขาเงียบพราเขาจะซื้อที่ดินตรงแปลงเนี่ที่เรานั่งอยู่เนี่ยนะกับพ่อคำศรีประมาณเกือบสามสิบเกือบสามสิบไร่นะ่ะคือสามสิบห้าไร่เนะี่ยแหละเขาจะซื้อพ่อคำศรีก็อยากจะได้สมัยนั้นได้เจ็ดพันมะระาว่าตหลวงพ่อจะไม่ผิดนะเจ็ดพันบาทชาวบ้านก็รวบรวมได้เงินมาเขาก็เลยซื้อที่ดิน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 นี่แหละกุฏิที่หลวงพ่ออยู่ที่แรกนั้น่นะอยู่ตรงนั้นแหละปีสองเก้าจากนั้นก็มีพระเข้ามาอยู่ด้วยอาจารย์คำพันธเป็นพระคู่ขี้กันกับพรนษากับหลวงพ่ออยู่ด้วยกันสององค์ท่านก็มาอยู่ด้วยเนะนี่ยนี่แะที่มาอยู่ครั้งแรกนะต่อมาก็มีท่านสดที่ท่านนิพนธ์มาอยู่ด้วยนะเข้ามานี่แหละความเป็นมาของวัดป่านาคาน้อยนะหลวง